อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หลังจากเปิดสถานีมาเราก็จะนําเสนอรายการธรรมารัปรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของอวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนปี2557ค่ะวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันขึ้นสิบค่ะ ตัเดือน12นะคะของเดือนพฤศจิกายนค่ะจึงก็คิดว่าใกล้จ ะ, ะสิ้นปีกันเต็มทีแล้วแต่งหนอยก็ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังมีรายการธรรมรับรุนซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาภัยบูล์อภิปุโ น, โนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอ่าฤกเล้นของวัดป่ารอนไหโสกตามหลักสูตรกา ร, รีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจาก พุทธโอดแบบปิดวาจาเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหาโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหาโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจํานะคะพบกันในเช้านี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปานสาธุเจ้าขาพบกันในเช้าของวันเสาร์ แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าคะ่าะอาโยมอยากจะขอหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของอที่เราเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์ค่อนข้างถี่สักนิดหนึ่งในระยะนี้นะเจ้าคะ่ะหรือว่าก่อนหน้านี้นี้ก็คือเรื่องของการที่ในปัจจุบันนี้เจ้าคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยก็มักจะนิยมที่จะไปทําศัลยกรรมนะเจ้าคะ่ะก oh. ็เชื่อว่าจะทําให้สวยขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ ก็อยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาสักขาหรือว่าพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่านอกจากการไปทําศิลกรรมโดยทั่วไปอย่างที่เรารู้ว่านิยมทํากันล้เกินนะเจ้าคะและที่มีเงินมากๆแทนที่จะทําในเมืองไทยก็ไปทําถึงเกาหลีนู่นนะเจ้าคะคือไปต่างประเทศเลยก็แสดงว่าจิตใจนั้ะก็ก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากทีเดียวประเด็นนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่า มีน้องๆบางคนเนี่ยก็ไปทําแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตนะเจ้าค่ะก็มีความเสี่ยง<ส>ตัวนี้นะเจ้าคะ่ะเจ้<ข>าค่ะ <ขา S 1> แม้จะชาวต่างประเทศก็เมื่อเร็วนี้ก็มีข่าวว่าไปทําศัลยกรรมเอาซิลิโคนออกมาจากตัวเนี่ยเจ้าค่ะก็ทําให้เสียชีวิตเช่นเดียวกันก็เลยอยากจะขอนําเรื่องนี้มาขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพปู โ, พโนพิปโนเจ้าค่ะได้สาชาแล้วก็เตือนสติกัน สักนิดหนึ่งดีไหมเจ้าคะนี่หมดเลยเจ้าคะ่ะในเรื่องเกี่ยวกับการสัญญกรรมเนี่ยคุณเตือนใจมันจะมีประเด็นอยู่ 4- ีหประเด็นนะที่คีดว่าเราจะต้องพูดกันในที่นี้ค <Okay. S 1> ำถามแรกก่อนว่าคนที่เราจะดูว่าเขาสวยหรือว่ารูปงามจะหลอกก็ตามจะสวยก็ตามเนี่ยนะเราใช้คําว่ารูปงามเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ละที่แต่ละคนมองก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคุณเตือนใจเดถ้าเผื่อว่าคนในทวีปแอฟริกาเขามองผู้หญิงว่าโอ้คนนี้งาม ก็ต้องผิวดำดาแบบดำแอฟริกาใช่ไหมคนตัวใจนะดำคลับนะจะครับแต่ถ้าผมว่าคนเอเชียนะก็จะไม่ได้คิดอย่า ง, ง น, นั้นในขณะที่คนฝรั่งพวกหนึ่งก็คิดอีกแบบหนึง่งพวกหนึ่งก็คิดอีกแบบหนึง่งะัะนั้นเราจะวัดว่างามหรือไม่งามเอาอะไรมาวัดก่อนทำไมหน้าต้องทรงนี้นนถ้าเราอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอิทธิพลของการโฆษณาบ้างดาราบ้างอะไรต่างใช่ไม <Okay. S 2> แต่ถ้าอยู่ในยุคเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วโว้ยเขนิยมหญิงอ้วนนะเขานิยม <okay. S 2> หญิงอ้วนบางตุยน้อยนิดนึงแสดงถึงความที่สามารถจะเจริญพันธุ์ได้อ่า <Okay. S 2> มีร่างกายสมบูรณ์สามารถเลี้ยงดูลูกได้ให้ลูกออกมา <Okay. S 2> สมบูรณ์ได้อย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> อะนี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งทีนี้ว่าตรงเนี้ยพรพชา ต, ตรัสไว้ไว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความงามความไม่งามตัว น, นี้ <Okay. S 2> แล้วก็คือมีนัยยะหนึ่งที่เป็นคําอธิบายคําของพระพุทจ้าอีกทีหนึ่งนะว่า สิ่งใดที่ควรขาวก็ขาวแต่สิ่งใดที่ ค, ควคล้ำก็คล้ำสิ่งใดที่ควใหญ่ก็ใหญ่สิ่งใดที่คนรเล็กก็เล็กสิ่งใดที่ควแคบก็แคบสิ่งใดที่ควรกว้างก็กว้างลักษณะนี้เนี่ยเป็นเป็นการที่บ่งบอกถึงความที่เขารูปงามแล้วไอ้ที่มันควรเล็กควรใหญ่ควรกว้างควรแคบเนี่ยใครเป็นคนวัดใครเป็นคนตัดสินนะ<ร>ก็คนในสมัยนั้นคนในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเออไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักนะไม่คล้ำนักไม่ขาวนัก เป็นลักษณะของหญิงที่งาม <Okay. S 2> เป็นคนที่รูปงามลักษณะนี้ก็ไม่นักไม่ไปทางไหนนักเกินไปเนี่ย ก, ก็ตามที่สมัยนั้นเขานิยมกัน <Okay. S 2> นะทีนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่งามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหล่อ ก, ก็ตามสวยก็ตามนะแล้วก็มีทรัพย์ ส, สินสมบัติเกิดในชาติตระกูลสูงนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนประเภทที่ว่ า, ามีชาติขาว มีชาติขาว uh huh. ถึงจริงแ้วเป็นเป็นข้อกําหนดของพวกพราหมณ์ก็นนะคือพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าคุณชาติชั้นวันนาอะไรอย่างเงี้ยนะ uh huh. แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยมาบัญญัติทับเนบัญญัติทับว่าจริงๆแล้วชาติขาวเนี่ยหมายถึงอย่างนี้คือคนที่มีการกําเนิดที่ดีเนะที่ขาวซึ่งในตารางคนข้ามก็คื อ, อชาติ ด, ดำํำนะชาติดําคือเกิดมาก็อาจจะพิการเนะื้อรูปไม่งามง่อยเปรี้ยเสียขานะหลังโกง เกิดในตระกูลคนจนข้าวก็ไม่ค่อยจะมีกินเนกะิในตระกูลต่ำด้วยนี่คือลักษณะตรงข้ามกันคือชาติดำแต่ประเด็นที่คุณเตใจกำลังพูดในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วคนที่ชาติดำจะไปทันสัญญกรรมนะหรือจะไปทําสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้เรามาเป็นชาติขาวเนี่ยได้ไหมเจ้าค่ะอันนี้คือที่เราคิดว่าฉันจะไปตัดกรามฉันจะไปฉีดโบอท็อกซ์ฉันจะไปซ อ, อยไหมเขาเรียกอะไรนะร้อยไหมร้อไหมเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นยังไง หรือแมแต่ตัวพระองค์เองก็เคยบอกลักษณะโงเ่เฮงของตัวพระองค์เองนะ <Okay. S 1> คือนี่คือลักษณะของมหาบุรุษ32ประการนะซึ่งมหาบุรุษสาประการนี้นะอันนี้เป็นผลของกรรมที่ได้ทํามา <Okay. S 1> เช่นว่าความที่มีตาสีเขียวความที่มีขนคุ้มละเส้นความที่มีโครงหน้ารับกับกรอบหน้านะไม่ต้องใบฝนกราม<ะ>ความที่สามารถแตกข่าได้ด้วยมือทั้งสองโดยที่ไม่ต้อง ยอดตัวลง <Okay. S 1> หรือลักษณะที่มีเนื้อนูนหนาในที่ห้าแห่งที่ไหลที่มือทั้งสองและที่เท้าทั้งสองเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของของกรรมที่เกิดขึ้นเช่นทำความดีไว้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ชักชวนคนไปนทําบุญบ้างรักษาศีลบ้างเป็นต้น <Okay. S 1> และนี่คือที่พระบุญชาตรัสไว้ามาเอามาให้แค่คร่าวๆก่อนนะคร <Okay. S 1> ่าวๆก่อนอประเด็นที่สําคัญต้องการบอกในที่นี้ก็คือว่าแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะแบบให้มันดูดีให้มันดูสวยหรือว่าดูงามขึ้นมา โดยที่ใช้วิธีการทําสัญญกรรมหรือบางคนอาจจะมีต้องการจะมีลักษณะมหาบุรุษ3ามประการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลยไปทำสัญญกรรม <Okay. S 1> แราเละไปทําสัญญกรรมใช้มีดหมอช่วย <Okay. S 1> นะอา้าวแล้วผลของกรรมเนี่ยก็ไม่ได้ทําไว้มาก่อนนะมันก็จะไม่ได้มีผลที่มันควรจะเกิดขึ้นแ <Okay. S 1> นะมันก็จะมีแค่รูปร่างที่มันดูแล้วเหมือนนะแน่นอนคุณตระใจว่ารูปร่างที่มันดูแล้วเหมือนเนี่ยนะซึ่งผ่านไปอีกไม่กี่นาน มันก็จะถึงความพังมันแตกไปแน่นอนคือเสื่อมลงนะเสื่อมลงแน่นอนนะเพราะว่ายัางไงคนเราก็ต้องแก่ถูกไหมคุณจะไปยกตรงนั้นเสริมตรงนั้นผ่านตรงนี้ผาอะไรต่างเนี่ยทําไปสักสิบปีเนี่ยมันก็ต้องเอาออกก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขเนาะค่ ะ, ะมันมีประเด็นตรงนี้คุณเตนใจที่ว่าบางทีสัญยกรรมบางอย่างก็มีความจําเป็นนะเช่นบางคนเป็นเป็นอุบัติเหตุมาอย่างเงี้ยก็ต้องทําสัลยกรรมนะหรือว่า เออเป็นคนพิการมาอย่างนี้ก็ต้องทําศัลยกรรมแต่มามีเพื่อนที่เขาเป็นหมอฟันนั้นหมอฟันเนี่ยเขาทําหน้าที่เดียวเลยนะแต่ว่าเวลาที่มอเตอร์ไซค์ชนมาเรียบร้อยเนี่ยกรามหักกระดูกแตกอะไรต่างๆเขาแต่งให้เจ้าค่ะอันนี้ก็ทําศัลยกรรมเหมือนกันนะเอแต่ทำศัลยกรรมแบบว่าตัดกรามตัดอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุแต่เพื่อให้าก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช so ่ไหมคให้เขามีชีวิตอยู่ต <m> um <ulate> mm ่อไปได้สามารถที <Boo> ่จะเกี่ยวหานได้ไรได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอแต่ บางคนก็ดีๆอยู่บักระเตียวเนี่ยแต่ไปทําอย่างนี้เจ้าา่ะอซึ่งมันก็แล้วถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอ้ทําลักษณะไหนถึงจะพอตรงไหนคือจําเป็นตรงไหนคือไม่จําเป็นบางคนบอกว่าฉันจําเป็นนะฉันจะต้องไปกรีตาให้มันเป็นสองชั้นอย่างนี้หรือฉันจําเป็นนะฉันต้องไปยกตรงนี้ให้มันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันเอาอะไรมาวัดความจําเป็นตรงนี้ความอยากอย่างเดียวเลยกุณเตือนใจความอยากแล้ยถามว่า คุณอยากให้มันเป็นยังไงล่ะนั่นแหละคือจําเป็นของคุณเนีเพราะฉะนั้นความอยากของคนมันพอที่ไหนความอยากของคนไม่พอเนี่ยเพราะว่าตันหาเนี่ยเป็นที่ที่หยั่งลงไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะไปสุดที่ไหนหยุดที่ไหนมันมันหยั่งลงไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากกันเท่าไหร่มันก็พอกันตรงนั้นเนี่ยซึ่งมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ความงามความสวยเนี่ยที่เราพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ นะมีอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของกรรมที่ว่าถ้าเราทำกรรมดีมาเราจะเกิดเป็นคนที่รูปงามมีเงินทองแล้วก็ในตระกูลสูงนะอ น, นี้คือ ท, ที่ที่ทำกรรมดีม า, าแต่ถ้าทำกรรมไม่ดีมาก็จะมีรูปไม่งามนะกรรมดีกรรมไม่ดีตรงนี้คืออะไรนะคือถ้าเราเป็นคนมักโกรธนะพูดถูกว่าน้อยก็ขึงเครียดขึ้นมานะแล้วก็ผูกโกรธตรงนี้เป็นเหตุนะก็จะทาให้เกิด การที่รูปไม่สวยมีวันณะไม่งามอเจ้าค่ะอ่ทีนี้ถ้าเราวันณะเกิดมาวันณะไม่งามว่ทำไงเราฉันก็ไปผ่าฉันก็ไปแต่งใช่ไหมแต่ฉันก็ยังเอโกรธเกลียดนะมีความมักโกรธขึงเครียดแล้วต่อไปก็ไม่งามอยู่ดีความสวยนั้นไม่สามารถรักษาได้เจ้าค่ะแต่คุณไม่สามารถรักษาความสวยตรงนั้นเอาไว้ได้เพราะว่ามันไม่ได้สร้างเหตุที่ถูกต้องเข้าใจไหมเจ้าค<ช>่ะคื อ, อเหตุปัจจัยมันยังเป็นเหมือนเดิมใช่มันไม่ดีเหมือนเดิมดังนั้น ไม่ว่าเราจะไปเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์อย่างไรเนี่ยเหตุปัจจัยมันไม่ได้เปลี่ยนไปนี่ผลก็ต้องเหมือนเดิมถูกไหเจ้าค่ะ เ, เดียวกนที่มใชค่ะแล้วก็ในทางตรงนข้ามถ้าเบิดว่าคนต้องการจะมีวันนะดีวันนะงามนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไวนะ้ก็คือเป็นคนไม่มกโกรธนะไม่ึงเครียดถูกว่าแม้มากก็เป็นไม่โกรธไม่ปลุกโกรธอย่างนี้ก็จะทาให้เป็นคนที่มีวันณะงาม มีผิวงามมีเป็นคนรูปสวยอนอกจากนี้เรื่องของศีลก็เคยสาธยายว่าถ้าเรามีศีลดนะีมีศีลห้าธรรมดาของเรานี่แหละรักษาไว้อย่างดีอันนี้จะเป็นไปเพื่อวันนางงามแล้วข้อที่สมก็คือเรื่องของเมตตาด้วยแต่ถ้าคนที่เจริญเมตตาภาวนานอยู่เป็นประจำเนี่ยจะทําให้ผิวพรรณผุดผ่องคําว่าผิวพรรณผุดผ่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงสเปคแบบนางงามเป๊ะนะคุณตัณฐ์ใจบางที่อาจจะหน้าตาธรรมดาแหมแต่ว่า ผิวพันธุ์เขาแบบพุดธ่องขึ้นมาเป็นประกายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะที่ว่าคนที่เจริญแม่ตาภาวนาอยู่เป็นประจำจะเป็นยังไนเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็ดเป็นผลจากการกระ ท, ทําที่ที่พุทธองค์ได้ใหไ ด, ได้ส่งตรัสไว้ถูกไหมเจ้าค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความงามเหมือนกับว่าเป็นผ ล, ลกรรมหรือว่าผ ล, ลบุญจากชาติที่แล้วที่ทํามาทต่นิยมก็อยากจะพอคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยนิยมก็อยากจะขออนุญาต กรับนำส ก, การเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนยเจ้าค่ะว่าในเมื่อมันเข้ามาอยู่ยุคสมัยนี้นะเจ้าค่ะที่เราได้เห็นข่าวคลาวอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะเจ้าค่ะว่าเกิดความนิยม ที่จะทําศัลยกรรมทางนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเนี่ยดูผิดไปจากเดิมนะคะคือแบบว่าให้ดูสวยขึ้นว่าอย่างนั้นเถ อ, อทะทีนี้มันเกิดเป็นประเด็นที่เราเห็นกันค่อนข้างจะถี่ในระยะนี้ก็คือมันเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้เลยอยากให้พระอาจารย์ได้ให้แง่คิดสักนิดหนึ่งสําหรับหลายหายท่านที่หรือน้องนหลายๆคนที่อาจจะยังยังแบบว่านึกอยากจะทําตรงนี้เจ้าค่ะโอเคมันมีประเด็นตรงนี้ที่พระุเช้าเคยตรัสถึงคนที่มีการเกิดที่ขาวเป็นการเกิดที่ดี นะเช่นว่ามีรูปงามแล้วก็มีเงินทองด้วยเกิดในตระกูลสูงด้วยนะสมมุติเกิดมาคุณเป็นอย่างนี้เลยนะทีนี้ถ้าผมว่าเราเกิดมาในชาติดำนะเราไม่ได้มีเงินทองอะไรต่างๆแล้วเราไปทําเราไปทําให้เราเป็นคนชาติขาวขึ้นมานะคุณค่ะมันมีคนชาติขาวประเภทหนึ่งคุเตือนใจที่ว่าคนชาติขาวแล้วทํากรรมดำนะกรรมดําคืออะไรมีชาติขาวมีกรรมดำํากรรมดําก็คือกระทําแบบชั่วนะด่าเขา เพื่อไม่ชอบทางกายวาจาใจนะพ่นไฟอยู่ตลอดเวลาขึงเกรียดขึงโกรธนะล้วก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกใจใครสักเท่าไหร่ล่ะใครทําอะไรให้ก็ไม่ถูกใจด่าว่าเขาอยู่ตลอดเวลานะถามว่าต่อให้สวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนรวยขนาดไหนสูงขนาดไหนเนี่ยคนนิยมไหมก็ไม่นิยมไม่นิยมแน่นอนนะไม่นิยมแน่นอนโอเคอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะในทางตงน้นทุนค่ามันมีคนประเภทนี้ก็คือคนที่ อชาติดํำเกิดก็ไม่ได้ในตระกูลสูงเงินทองก็ไม่ค่อยมีรูปก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้งามอะไรมากแต่ว่าทํากรรมขาวทำกรรมขาวคนที่ทํากรรมขาวนี่ก็คือว่าพูดดีคิดดีทําดีช่วยเหลือสังคมทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองถามว่าคนเขาจะยกย่องคนนี้ไหมยกย่องแน่นอนนะถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณชนเช้าอันนะไหนแต่ว่าถ้าคุณทํากรรมขาวคุณดีแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะ เ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นต่อให้เรามีชาติขาวแต่ว่าถ้าเราทํากรรมดํามันก็ไม่ดีอยู่ดี <Okay. S 1> มันก็ไม่ดีอยู่ดีแต่ถึงแม้เราจะมีชาติดําแต่ถ้าเราทํากรรมขาวคนเขาก็ยกย่องเราแต่ถามว่าที่คุณไปทำํำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คุณอื่นพอใจด้วยตัวเองพอใจด้วยถูกไหมถ้าคุณอื่นพอใจ <Okay. S 1> ด้วยตัวเองพอใจด้วยเออนี้เราฉันถึงจะพอใจใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าเราทํากรรมขาวเราทํากรรมขาวเราทําดีคิดดีพูดดีทําดี คนอื่นจะติเตียนเราด้วยเหตุข้อนี้ว่าเราผิดศีลเราไม่ได้มีเมตตาก็ติเตียนไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะตัวเราจะติเตียนตัวว่าแหมชะ น, นี่ไม่ดีไม่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ได้คิดดีผู้ดีทดําดีเราก็ติเตียนตัวเองไม่ได้เพราะเหตุนั้นเพราะเราได้ทําอยู่เออมันก็ดีนี่ถูกไหมเจ้าค่ะทีนี้สําหรับคนที่กําลังคิดว่าจะไปทำหรือได้ทํามาแล้วเราคิดว่าจะไปทําเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะทําไมจิตใจมันถึงน้อมไปในทางนั้นเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่า ความอยากอย่างที่พูดมาสักครู่นเนี่ยว่ามันไม่พอหรอกแตนะ่ถ้าผมว่าตันหาเนี่ยไม่ได้หยุดแตนะตันหามีที่ไหนความพอไม่มีมันก็ไปทําตรงนี้แล้วก็ทําต่อไปทําต่อไปทําต่อไปบ่งกลเป็นลักษณะว่าเสพติดสัญญกรรมใช่นจ้ะค่ะเสพติดสัญญกรรมเพราะนั้นตรงไหนถึงจะหยุดได้ตรงไหนถึงจะพอได้แตนะ่มันพอตรงที่ตันหามันออกนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตันหาตรงนั้นออกได้เนี่ยมีวิธีการอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามที่พระรูชาวแนะนําให้พิจารณา นั่นคือพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นเขาเรียกว่าอาสุภะนั่นเองเราพิจารณาเห็นสิ่งกายของเราเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยแต่เป็นของที่ไม่สวยงามคนส ว, สวยงามงามเนี่ยคุณเตือนใจก็แค่ประมาณ1มิลลิเมตรนั่นคือผิวของเรานั่นเองโอเคแต่ตอนให้เอานางงามจากาักรวาลหรือว่าคนที่สวยๆคนที่งามงามคนที่หล่อล อ, ล อ, ลอรูปดีผิวงามขนาดไห น, ก, หนก็ตามเอามาปาดออกสัก1มิลลิเมตรนั้นพอ เขาปาดออกสักหนึ่งมิลเมตรก็คือเอาผิวออกยังไม่ต้องด้านนอกออกนะะใช่ใชยังไม่ต้องเอาหนังออกนะหนังนี่มันจะลึกไปกว่านั้นเอาแค่ผิวออกก็พอแล้วอาผิวออกเนี่ยมันโหดูไม่ได้เลยคุณเตยใจบางคนแค่เอาเมคอัพออกเอาที่แต่งหน้าไว้ออกแค่นี้นะก็ดูไม่ได้แล้วนะจะจําไม่ได้ะจาไไม่ด้แล้วเพราะว่าที่กรีดไว้ปาดไว้มันหายไปละแล้วเอาลึกลงไปกว่านั้นแค่หนึ่งมิลเมตรโหมันมันเป็นคนเลอะเรื่องมาเลยแล้วถ้าเอาลึกลงไปกว่านั้นเอาหนังออกด้วย นะเอาหนังออกด้วยก็เหลือแต่เนื้อแดงๆนะต่อให้คนดาคนขาวคนเหลืองฝรั่งยังไงเอาเนื้อเอาหนังออกอออ ก, ก็เหลือแดงๆเหมือนกันเนื้อแดงๆเหมือนกันโห<ฮ><ฮ>มันดูไม่ได้เลยนะเขาแต่งกันก็แต่งกันตรงแค่ตรงหนึ่งมิเมตรนั่นแหละแต่งตรงผิวนะแต่งนี่คือหมายความว่าคนจะแต่งงานกันโอ้คนนี้สวยคนนี้หลอ่อก็ดูแค่ตรงหน mm ึ่งมเมตรน่ะแล้วถาม <c oughs> ว่าพอผ่านเวลาผ่านไ ป, ผ, นไปผ่านไปเนี่ยคือแน่นอนผิวของเรามันมันเสื่อมไปเสื่อมไปใช่ไหม <Okay. S 2> มันค่อยลองออกเพราะว่าอายุมากขึ้น10ปี20ปีผ่านไปเนี่ยผิวมันก็เหี่ยวแห้งลงเปลี่ยนแปลงไปนะต่อให้คุณไปกินยาอะไรเสริมเติมแต่งตรงไหนนีนมันก็มันก็จะต้องมีร่องรอยปรากฏละนะต่อให้สวยก็สวยอย่างคนแก่เอาสวยอย่างคนแก่ก็แก่ไหมล่ะก็แก่ก็ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแกแล้วก็ยังคิดว่าฉันจะสวยแบบแกแกนะมันไม่ใช่หรอกคุณเินใจเพราะว่าแก่ยังไงก็คือแก่ แกงงอมก็คือแกงหงอมนะมันก็มีแต่จะเสื่อมลงไปข้างหน้ามันไม่ได้จะดีขึ้น <Okay. S 1> นะเดีอยว น, นี้พูดตามความจริงอะนะว่าชีวิตเรามีแต่จะแย่ลงหนักขึ้นหน้าขึ้นไปทั้งสิ้นนะโรคภัยไข้เจ็บเอ้ย เ, อเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆเอ้ยนะสังคมการบ้านการเมืองอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแต่หนักหน้าไปข้างหน้ามีแต่จะเสื่อมลง <Okay. S 1> เสื่อมลงถา้าเราคิดว่าเราจะสวยขึ้นหรือหล่อขึ้นมันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นเอง เช่นบางคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจจะหายจากความเป็นโรคนั้นก็คือดีขึ้นบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะต้องมันก็ต้องตายมันก็จะต้องจบไปมันก็จะต้องถึงวันที่มันจะมีโรคที่รักษาไม่หายเช่นโรคชราเป็นต้นแต่มันก็จะถึงวันเวลาที่มันจะสวยมันก็สวยได้แค่นี้มันก็จบแค่นี้แลมันจะทําให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็จะมีแต่เสื่อมลงเราจะทําจิตใจเราให้เข้าใจบริเด็นตรงนี้ได้นั่นก็คือเรื่องของพิจารณาสุภะ เน่ยคเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามแนะยกแยะออกว่าในกายมีอะไรมันก็แค่1มีเล่ไมตรงนั้นแตนะ่ถ้า <Okay. S 1> พิจรนารณาดูให้ดีกายเราเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับถุงหนังคุณจะใจเป็นถุงหนังใบหนึ่งนะมีปากทางเข้าแล้วก็ปากทางออกถุงหนังเนี่ยมีของไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลานะี่ยคือเหงื่อของเราจุกค <Okay. S 1> นะ่ะปากทางเข้าก็คือปากเรานี่แหละปากทางออกก็คือทวานหนักทวานเบาไหลเข้าไหลออกอยู่เยิ้มอยู่ตลอด เนะียเยิ้มที่ถุงด้วยเนะีแล้วก็มีแต่จะแบบคล้ำเปิดมาข้างในเห็นอะไรบ้างก็มีตับไตไส้พุง ม, ม้ามปอดเนะี่ไส้เล็กไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหารม่อยู่ในนี้นะีป <จบ S 1> นกันอยู่นี้ไม่ได้ต่างกันตรงนี้เลยถุงหนังกันนั่นะอเองเนี่ยหอไว้นะมีอะไรเป็นโครงมีกระดูกเป็นโครงนะมีอะไรเป็นฉาบทาไว้ก็มีเนื้อและเลือดฉาบทาไว้นะ่ยคั่มเอาไว้ด้วยหนังฉาบไว้อีกทีด้วยผิวเนะีมาเลยดูดี เอาผิวออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกหรือแต่กระดูกนะก็เป็นซิโครกระดูกก็มีเท่านี้ประมาณนี้มือมีเหมือนกันด้วยนะเจ้าค่ะเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจรารณากายของเราในลักษณะนี้เราจะคลายความกำหนัดในกายไดนะ้พอคลายความกำหนัดในกายไดนะ้ตันหามันจะตั้งอยู่ไม่ได้พอตันหาตั้งอยู่ไม่ได้ตรงนั้นคือพอเดี๋ยวตอนนั้นเราจะมีความที่รู้สึกว่า ออพอใจยินดีในสิ่งที่เรามีนะแล้วก็ทําอะไรละ่ะทําสิ่งที่เป็นกุศลนะทําสิ่งที่มันจะไม่เป็นไปในทางที่จะเพิ่มปูนพอกปูนตัณหานะัน่นคือเรื่องของผู้ ด, ดีคิดดีทําดีรักษาศีล ส, สมาธิปัญญานะตัณหามันจะลดลงไปสิ่งที่จะพอกปูนขึ้นคือเรื่องของกุศลธรรมมรรคผลนิพพานตรงนี้พอกปูนขึ้นพอกปูนขึ้นปุ๊บนะก็จะเป็นเหตุที่ทําให้พอจิตใจเราสูงปุ๊บเนี่ยเรามีชาติสูงล่ะเรามีการทํากรรมขาว พอมีการทํากรรมขาวคุณก็อยู่ในชาติขาวขึ้นมาแต่ตรงนี้พริชาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่อาจจะอยู่มาดมืดแล้วก็ไปสว่างแล้วมีความสว่างขึ้นในใจของเราคือเกิดมาหมืดแต่ว่าไปในทางสว่างใช่ใช่เกิดมามืดไปสว่างก็มี ช, มชาติ ด, ดํา แ, แล้วก็ทํากรรมขาวก็มีเพราะฉะนั้นคนที่จะดีหรือไม่ดีในชีวิตของเราคือบางคนอาจจะคิดว่าแหมช่นไปทำเนี่ยปรับงโ ง, เง่เฮงอะไรเงี้ยนะ แต่มาอาตาให้คุณโง่แห้งดีแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้สร้างกรรมดีนี่ยคือไม่ได้พูดดีคิดดีทําดีเนี่ยยังไงมันก็ชีวิตก็จะดีขึ้นมาไม่ได้ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาไม่ได้แต่แต่ถ้าบอกว่าเราก็หน้าตาธรรมดาคือไม่ได้ถึงขนาดว่าปากมาอยู่ข้างๆ้างหู <H> um, หูมาอยู่ <c oughs> ใต้ตาอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมก็ธรรมดา <c oughs> หูก็อยู่ข้างหน้าปากก็ยังอยู่ใต้จมูกหน้าตาก็ยังอยู่บนจมูกอันนี้ก็ปกติทั่วไปแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราจะดีมีความสุขในชีวิตขึ้้นมาได แล้วก็อยู่ที่ว่าเรากระทํากรรมคือพูดดีคิดดีทําดีแตนะ่พอพูดดีคิดดีทําดีแตนะ่ถ้านาตาคุณพอจะได้พอประมาณแตนะ่ต่อให้เป็นคนชาติดําก็ตามนะชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นมาได้นะประเด็นคือตรงนี้มีความสุขแตนะ่เราคิดว่าเราจะไปทําแล้วเราจะมีความสุข <Okay. S 1> แต่ความสุขเกิดจากการกระทําที่เราทํานะีำไม่จะเกิดจากการที่หมอผ่าหรือไม่ผ่าหรือเราจะผ่าหรือไม่ผ่าดีนะแต่จะเกิดจากการที่เรากระทํากรรมที่เป็นสีขาวตรงนี้ต่างหาก เจ้าค่ะแล้วที่เขาพูดว่าความงามจากภายในแหะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาโยมเคยได้ยินประเด็นนี้โยมอยากจะกราบนมัรคการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาพิบูร์เจ้าค่ะว่าที่ว่างามจากภายในนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างเจ้าค่ะก็มีจุดหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าคนที่เจริญเมตตาภาวนานอยู่เป็นประจำเนี่ ย, ยหนึ่งในอันนี้สองนะของสิเอ็ดอย่างก็คือจะทําให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณงาม นะมีผิวผิวพันธุ์ผุดผ่องนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอก็จะเป็นที่รักของมนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่ไปทํามานะเพื่อที่จะให้คนเ้ารักเรานะถ้าเราคุณต้องการตรงนั้นก็จะเลยเมตตาภาวนาก็ได้นะี่นาไม่จำเป็นต้องเสียงเงินขนาดนั้นด้วยซ้ํา <Okay. S 2> นะนี่คือจากภายในของเรานะเพราะว่าจิตที่มีความรักความปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยแ้พอคนอื่นได้รับกระแสงความรักความเมตตาความเยใจดีความปรารถนาดีจากเรา นะเขาก็หันด้านความที่เป็นมิตรเข้ามานะความที่เป็นมิตรมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่จะเป็นสุขได้นะเพราะว่ากัลายาณมิตรนะก็จะนามาซึ่งประโยชน์หลายๆอย่างอาจจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานอาจจะเป็นเรื่องของโภคทรัพย์นะหลายๆอย่างก็จะตามมาด้วยความที่มีจิตใจเป็นเมตตาก็ได้ผลเหมือนกันตรงนี้เจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โยมได้อ่านงานวิจัยนะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ย เขาได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าเผื่อคนเราเนี่ยนะเจ้าคะถ้าเราทำสมาธิอะเจ้าคะ่ะเขาบอกว่าจะทำให้สมองเราหรือว่าจิตใจเราเนี่ยเหมือนได้พักอะเจ้าคะ่ะใช่แล้วก็พระอาจารย์เคยพูดมั้งเจ้าคะว่าถ้าเผื่อทำสมาธิมากๆหน้าตาก็จะผ่องใสแบบน่าจะเต่งตึงไม่ต้องไปฉีดอะไรต่างๆใช่มอันนี้จริงไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเราจะเห็นคนที่ทำสมาธิอยู่เรื่อยๆผิวพรร์เขาจะผุดผ่อง ผิวพรรณผุดพองหมายความว่าก็แก่ไปตามวัยนะอายุก็ไปตามวัยแต่ว่ามีความผุดพองเหมือนกับมีรัศมีแผลออกมาจากจากคนนั้นนี่คือลักษณะนั้นแหะลักษณะนั้นนี่คือคนที่มีผิวพันธุ์ผุดพองแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบในระหว่างอย่างเช่นความไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นที่เรามีอยู่ในใจเป็นผลทําให้ผิวพรรณผุดพองบ้างแต่เป็นผลทําให้เกิดความรักในหมู่คณะในหมู่เพื่อนฝูงอย่างเงี้ยให้คนอื่เขารักเราอย่างเงี้ยนะเป็นที่รักของมนุษย์เนี่ย หลังจาจะเปรียบเทียบคุณทําตรงนี้นักกับเปรียบเทียบเอถ้าคุณไปทําสัลยกรรมมาใ น, นการไปทําสัลยกรรมเนี่ยเป็นสาธารณะกับภัยอย่างอางื่นๆนะเช่นถ้าสมมติคุณไปเสริมจมูกน่ะเขามาชกหรือว่าเดินหกลม้มนะอา้าวจมูกหายไปแล้วนะ่ะดั้งยุไปอย่างเงี้ยน ะ, ะหรือว่าคุณไปเสียเงินหลายๆแสนหรือเป็นล้านทําสัญยกรรมนะแต่พอเจออุบัติเหตุอย่างได้อย่างหนึ่งอา้าวศัลยกรรมหายไปแล้วมันก็มีความไม่แน่ไม่นอนตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ เป็นสาธารณ ะ, ะกับภัยอย่างต่างๆนะภัยอย่างต่างๆสามารถจะเอาความงามตรงนี้ไปได้ <Okay. S 1> แต่แต่แต่ถ้าเป็นความงามที่อยู่ในจิตใจของเรานะเช่นความรักความเมตตาคุณธรรมต่างๆพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยสิ่งนี้ที่อยู่ในใจเนี่ยไม่เป็นสาธารณะกับภยัยภายนอกไพ่ภายนอกเช่นคุณเดินหกลม้มแล้วคุณอาจจะจมูกหักก็จริงแต่ว่าความงามภายในยังมีอยู่ คนเขาก็ยังรักเราอยู่คือถ้าเขารักเราเพราะว่าเหตุจากที่คุณหน้าตาสวยสดมีดั้งมีจมูกมีคิ้วแต่พอดั้งหายจมูกหายคิ้วหายแต่ตื่นเช้ามาเอา้าทําไมใครมานอนอยู่ข้างเตียงเนี่ยทําไม่ได้เ <c oughs> งี้ยมัน <c oughs> ไปคนเรื่องใหม่ไปแต่ <c oughs> แต่ถ้าผกว่าหน้าเดิมๆฉันนี่แหละแต่แต่ว่าเขารักเราด้วยเหตุความงามในภายใน <c oughs> อันนี้ยต่อให้หน้าเราจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรเจออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยคุณจะทำนั้นก็ยังอยู่ในใจ นะไม่ได้คนอื่นเอาไปด้วยได้แต่กนะ็เรียกว่าไม่เป็นสาธารณกับภัยอย่างอื่นหรือได้เป็นลักษณะของอริยทรัพย์แต่คือคนจะมองว่าความสวยความงามเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งใช่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งแต่เป็นทรัพ ย, ทยพ์ที่ยังสูญเสียด้วยไปกับสิ่งอื่นๆได้ภัยธรรมชาติได้ถ้าเขาาน้ํากรดมาราชคุณก็เสียโฉมไปเลยอันนี้ก็เรีวยกว่าความงามที่เป็นทรัพย์ที่ยังเสี่ยงต่ออันตรายจากภายนอกได้หรือเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะใช่แล้วก็แน่นอนมันแก่ไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ เสื่อมไปเสื่อมไปอันนี้ก็ธรรมดาจนถึงความตายแต่ถ้าบอกว่าเรามีความงามในภายในแต่ความงามในภายในแก่ไปเสื่อมไปไอ้ตรงนี้ไม่ได้เสื่อมไปด้วยใช่ไหมร่างกายมันแก่ไปแต่ชีวิยังมีความงามภายในอยู่แต่ถ้าตายละ่ะตายปุ๊บเนี่ยถ้าคุณยังมีเชื่อแห่งการเกิดไปเกิดใหม่ตรงนี้คุณเอาไปด้วยได้อืแต่ในขณะที่ถ้าทําสัญลยกรรมมาอย่าพูดถึงตอนที่แก่งอมเลยแล้วแค่ว่าผ่านไปสิบปีเนี่ยคนละเรื่องแล้ว มันมันหายแล้วคุณเอาไปไม่ได้แล้วเอาไปไม่เกินสิบปีบางคนทํามาสองสามปีก็เจงแล้วที่ทํามาเพราะฉะนั้นอถ้าผมว่าคุณต้องการความสวยความงามอันนี้คิดว่าทุกคนต้องการแหละนะทุกคนต้องการขอให้มาดูให้มันลึกหน่อยนะให้มันดูเกินหนึ่งมเมตรเข้าไปหน่อยดูให้มันทะลุผิวดูให้มันทะลุหนังดูให้มันทะลุเนื้อดูให้มันเข้าไปถึงกระดูกดูให้มันเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเลยเข้าไปในนั้นคือให้ถึงจิตใจไปเลย นะว่า <okay. S 2> ในจิตใจเนี่ยคุณมีความงามแบบที่ว่าทํากรรมข่าวไหมั้นถ้าเราทํากรรมขาวยังไงมันก็ดีนะแต่ถ้าตรงนี้มันจ ะ, ะเป็นสิ่งที่เป็นไปในอนาคตได้คือเหมือนว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เราพาไปด้วยได้คนอื่นทําอะไรอันตรายไม่ได้นะเป็นสิ่งที่จะเป็นความดีความงามนะกับเราด้วยคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์จากความงามตรงนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถนําติดตัวไปในภพชาติหน้าด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ถ้ามันยังจะมีอยู่ สาธุเจ้าค่ะ<ม>ท่านผู้ฟังค่ะในเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนปี2557นี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโนโท่านได้สากขาหรือว่าสนทนาธรรมะมาให้ข้อคิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรับฟังแล้วก็คงจะได้ประเด็นธรรมะที่จะฉุกคิดได้เป็นอย่างดีทีเดียวว่าคนเรานั้นเนี่ย ถ้า ง, งามก็ให้งามจากจิตใจมีเมตตากรุณาคือคิดดีทำดีพูดดีก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความงามจากภายในที่ถาวร แล้วก็มั่นคงกว่าความงามแต่เพียงภายนอกเท่านั้นนะคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนรมาจการลาพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกแล้วก็กราบนรมาจการลาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโตพาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะ พรุ่นี้เช้าตอนทีห้าเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยในช่วงของการสากชานะคะกลับขอพระคุณและกลับในะมัจการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเยบานสาธุเจ้าค่ะ